ดังจันทราสองฟ้าในยามราตรีเร่งรัศมีทอแสงไป สถานแห่งนี้แสงทำความดีเปีเ่ยมล้นพระมงคลคเทพมุณีสว่างสวย <S <S <S 2> <S 2> บูชาธรรมเริ่มลึกนึกถึงหลวงปู่โปรดรับรูโลกหลานซาบซึงตรึงใจ ร่มธรรมร่มบารมีชุเ่เยืนปิติสดใสส่วนกลางกายภายในได้เข้าถึงธรรมจุดประทิบถ้อยจุดดวงใจพ่องใส ประทีบดุดไฟนิรัน์ไม่แปรพันไม่พลันดับไปร้อมสร้างบุญบารมีสร้างความดีนี้ไม่เสื่อมคลายอธิธทานตราบันเข้าถึงพระธรรมกายขอติดตามท่านไปที่สุดแห่ง บางมากพ้นพระมงค์คเทพุนีให้โลกนี้สดสวยด้วยแสงแห่งธรรมเพื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองประเสริฐลาดล้ำคุณ น, นุ้นนาด้วยแสงธรรม ทีบดุดไฟนิรัน์ไม่แปลพันไม่พลัน เพลง